เรื่องที่สิบเก้าหลักชาพุทธรู้ให้ชัดจะได้เริ่มปฏิบัติกันเสธีตอนที่หนึ่งพูดคุยกับพระนวะกะเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2553 ไม่ข้อมูลได้รับส้าพความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อน <c oughs> อันนี้ อ, อ, อยากเรียนถามพระเดชพระคุณของพ่อก็คือเรื่องของหลักชาวพุทธ <c oughs> ว่าถ้าพวกประผมลาศิกขาไปแล้วเนี่ยต่อไปเป็นค้าราชกาจะเอาหลักชาวพุทธไปปฏิบัติอย่างไรใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรแล <c oughs> ้วควรจะเริ่มอย่างไรแล้วควรพระเดชพระคุณช่วยขยายความ แล้วเขาช่วยให้คำแนะนำะในการปฏิบัติให้ได้จริงทับคนนไหมครับอ้าที่จริงก็ที่เลือกมาอย่างนี้ก็คือเห็นว่าปฏิบัติได้แล้วใช่ไหมเห็นว่าเออเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยแล้วหลักนี้แหละจะดีจะได้เริ่มต้นกันสักทีมืองงั้นก็ชาวพุทธก็เคว้งคว้างกันอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็จะเห็นว่ามีสองส่วนใช่มมีหลักการและปฏิบัติการหลักการนั้นทว่าตาม ศัพาศาสนาก็คล้ายๆว่าเป็นหลักแห่งศรัทธานั่นเองแต่เราพูดว่าหลักการคือในภษาศาสนาก็ตามปกติจุดที่จะรวมใจคนได้คั้งแรกก็คือศรัทธานี่ศรัทธาใ น, า พ, านาพุทธศรัทธาในพุทธศาสนาก็ต้องเป็นความมั่นใจด้วยปัญญานะที่เรียกว่ามูลิกาปัญญาปัญญาที่มีข้อมูลมีปัญญาเป็นที่ตั้งด้วยอันนี้ก็หลัก ศรัทธาเนี่ยก็มีอะไรบ้างล่ะนะตามประเพณีสืบมาในเมืองไทยแล้วเนี่ยท่านเคยได้ยินไหมว่าคนไทยแล้วเนี่ยบอกว่าศรัทธามีสี่เคยได้ยินไหวันนั้นดูจะพูดทีแล้วนะคนไทยเราจากันมาพระไทยก็จำกันมาหนึ่งมีกรรมศรัทธาสองวิปากศรัทธาสมกรรมสักตาศรัทธา สีต่ตถาคตะโพธิสัต tha เคยได้ยินไหม mm hmm. เคยนี่แหละตถาสี่เนี่ยว่ากันมานานแล้วก็อธิบายกันไปที่จริงมันก็คาบเกี่ยวกันอยู่นี่แหละว่าที่จริงแล้วเป็นศรัทธาที่ชาวพุทธไทยเนี่ยคิดกันขึ้นมาไม่รู้เกิดเมื่อไรในคัมภีร์ไม่มีนี่โดยเฉพาะอาชาในาพระไตรปิฎกนั้นแน่นอนไม่ต้องพูดถึงฉั้นอันตถกาถาดีกาเขาก็มาจัดเป็นสอย่างเนี้ย ไม่รู้คนไทยนึกยังไงมาจัดเป็นสี่นี่ในขั้นอัตถกถาเนี่ยท่านใช้แค่สองคือหนึ่งกรรมพราสาัทธาและก็สองรัตนัตยสัทธากรรมพราสรัทธาก็แปลว่าเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมและก็สองก็รัตนนัตยสัทธาศรัทธาในพระรัตนตรยัยกะจบ อ้าอันนี้ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คล้ายๆกันเงี้ยกรร ม, มพราหศัท ธ, ธากับอีกอันหนึ่งเปลี่ยนชื่อแทนที่จะเรียกรัตนนัตยะศัทธาเรียกตถาคตโพธิศัทธาแต่ตถาคตโพธิศัทธากับรัตนนัตยะรัทธานี่ที่จริงอันเดียวกันคือเวลาเราพูดถึงเรื่องพระรัตนตรัยเนี่ยก็จะถือว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นแกนเป็นหลักทีนี้ในความเป็นพระพุทธเจ้านั้นจุดสําคัญ คือโพธิของพระองค์แทนที่จะเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณก็ไปเอาที่โพธิเลยการตรัสรู้นั่นก็ในพระไตรปิฎกจะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องศรัทธาเนี่ยก็จะตรัสแบบตถาคะตะโพธิศรัทธาแบบหนึ่งเม่อกันก็ตรัสแยกเป็นสามเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีทั้งสองแบบอธิคถาแต่ก็เอาตามนั้นแหะ ก็คือเอาต่ทากรตะโพธิสัตย์หรือรัตนัตยสัตยานี่เป็นหลักอันหนึ่งและอันหนึ่งที่ถือว่าสําคัญก็คือเรื่องกรรมเนื่อจาใช้ว่ากรรมภาระสัตย์ชื่อกรรมและผลแห่งกรรมก็ถือว่าครอบคลุมหมดเลยนี่ที่เมืองไทยเรามาแยกเป็นกรรมสัตย์วิปากาสัตยาก็เท่ากับกรรมข้อหนึ่งภาระวิปากา ก, าก็คือภาระผลกรรมข้อหนึ่งแล้วก็กรรมสกตาสัตย์ก็ เอาว่าไอ้ที่มีกรรมมีผลกรรมนะ่ะให้เชื่อว่าเป็นของของตนนะเป็นสมบัติเรามีกรรมเป็นของตนเองมันที่จริงก็อยู่ในหลักเดียวกันแหละเพราะนั้นของอัตถกถาถ้าใช้ข้อเดียวกรรมมะพาละสัทธาจบไม่ต้องไปแยกสามแล้วก็ง่ายดีใช่ไหมเน่ยตกลงก็ใช้สองข้อคลุมของเราสี่ข้อเลยเอาแล้วแปลว่ า, า, วารุ่นอัตถกถามีสองข้อเอาก็แทรกไว้นิดหนึ่งผมเคยเล่าปว่า ในรุ่นพระไตรปิฎกเนี่ยยังกรรมสกตาสัทธาเนี่ยท่านไม่เรียกอะ่ะถ้าเรียกกรรมสกตายานกรรมสกตาปัญญาคือเรื่องกรรมเนี่ยในพระไตรปิฎกไม่ถือเป็นเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้การเข้าถึงความจริงเป็นหลักเหตุปัจจัยความเป็นเหตุเป็นผลเป็นความเป็นจริงของธรรมชาติต้องรู้ mm hmm. นั้นท่านจะไปเอาที่ปัญญาเนี่ ต่อมาแต่คถาก็มาพูดบ่อยขึ้นเอาคำว่าศรัทธาเข้ามาใส่ก็คำว่ากรรมสกตาเป็นกรรมสกตาศัทธาไปมีด้วยกรรมสกตาปัญญาก็มีนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเอากรรมสกตาศัทธานี่มาช่วยให้มันง่ายขึ้น <laughs> ตอนแรกยังไม่ก็มีปัญญารู้ก็ให้มีศรัทธาไว้ก่อน แล้วก็ต้องกล้าไปสู่กรรมสกตาปัญญาแต่ในพระใจไปดกท่านเอากรรมสกตาปัญญาเลยจะยังไงก็ตามเอาไปว่าตอนนี้ก็ในอัจถริยก็มีศรัทธาสองกรรมไอ้กรรมพระศรัทธาก ร, ร, รัตนนัตยศรัทธาหรือเรียงรัตนนัตยศรัทธากรรมพระศรัทธ า, รรรธาหรือจะใช้แต่ถากตโพธิศรัทธาแทน ร, รัตนนัตยศรัทธาก็แล้วแต่เป็นว่าสองอันอ้าวทีนี้ก็มาดู เวลามาวางหลักการในหลักชาวพุทธเนี่ยก็ต้องเริ่มที่หลักสัตยานี้จะเห็นว่าสองข้อนี่แหละมากลายเป็นกี่ข้อครับห้าข้อเนี่ยห้าข้อเนี่ยดูให้ดีที่จริงก็แค่สองนี่แหละแต่เพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติของคนไทยหนึ่งนะว่างไงครับช่วยอ่าน 1. ฝึกแล้วคือเริดมนุษย์ข้าพเจ้ามั่นใจว่ามนุษย์จะประเสริฐสุดจะแม้กระทั่งเป็นพุทธได้เพราะฝึกตนด้วยศิกขาคือการศึกษาครับนหนึ่งละอ้าวแล้วเราอ่านข้อสองต่อไปเลย 2. ใฝ่พุทธคุณเป็นสราณะข้าพเจ้าจะฝึกตนให้มีปัญญามีความบริสุทธิ์และมีเมตตากรุณา ตามอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาเอาเอาแค่สองก่อนสองข้อแรกเนี่ยคือข้อพุทธะในพระรรมเทศนาข้อพุทธะแยกสองเลยเพราะต้องการที่จะเอาให้ถึงแกนของความเป็นพุทธะอย่างที่เล่าเมื่อกี้ไงเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสในเชิงตถาคตโพธิสัตว์ก็ตรัสในแง่ของพุทธคุณ ทีนี้ข้อหนึ่งนี่ก็คือในแบบตัตถาคตะโพธิสัตว์และข้อสองก็ไปเน้นทางพุทธคุณถ้าพูดในแง่หนึ่งก็คือข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในเชิงเหตุข้อสองนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในแง่ผลเหตุก็คือการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็ด้วยบารมี ด้การที่ฝึกฝนพัฒนาตนด้วยการที่ทําให้เกิดตถาคตโพธิจะเชื่อนในโพธิของพระตถาคตคือมนุษย์เนี่ยฝึกแล้วพัฒนาปัญญาจนเป็นโพธิแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเน้นจุดนี้การที่จะเป็นพุทธะได้ก็เกิดจากการบําเพ็ญบารมีก็คือการฝึกตนพัฒนาชีวิตขึ้นไปก็คือการศึกษาจะใช้สับไหนก็ได้ ธรรมะกับฝึกตนภาวนาก็การเจริญพัฒนาขึ้นมาหรือศิกษาการศึกษาสับเดียวกันแลแทนกันได้อันนี้ก็คือแกนของการเป็นพุทธะพระพุทธเจ้าอยู่ที่แกนนี้เราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติตามหลักนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือข้อแรกข้อหนึ่ง แล้วมาข้อที่สองก็ในเชิงผลก็คือเมื่อเป็นพุทธานแล้วก็มีคุณความดีคุณสมบัติที่เรียก พ, พุทธคุณอย่างนี้ซึ่งเมืองไทยเรานิยมสนะฮะก็เลยแจกกับไปเป็นอะไรมีปัญญาวิสุทธ์กรุณาใช่ไหมเมืองไทยเรานิยมสมเราก็เรียกว่าพุทธคุณสในนั้นก็จะมีบอกว่าไงนะครับครบไหมฮะ ม, มีปัญญามีปัญญามีความบริสุทธิ์แล้วมีเมตตากรุณา อ๋อครับก็เนี่ยเอาพุทธคุณมาเอาแล้วนะครับเป็นาข้อ1ข้อ2นี่เป็นข้อที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคล้ายๆว่าข้อ1เป็นในแง่เหตุพระพุทธเจ้าในแง่เหตุความเป็นพระพุทธเจ้าในแง่เหตุข้อสองความเป็นพระพุทธเจ้าในแง่ผล <c oughs> จะพูดว่าข้อหนึ่งเป็นหลักการของการเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ข้อสองก็เป็นปฏิบัติการในการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีพระคุณแล้วทีนี้ก็ปฏิบัติการ ออกใช้ปัญญาบนฐานของความบริสุทธินี้อาศัยมหมาการุณาธิคุณก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ไปโปรดสรรพสัตว์ใช่ไหมเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติการพระพุทธคุณข้อที่สองเนี่ยทำให้ออกไปสั่งสอนโปรดสัตว์ทั้งหลายข้อหนึ่งก็ทำให้พระองค์นีตรร้ตัดสุเอาแล้วนะฮะได้ความแล้วนี่ข้อหนึ่งสองเป็นอัานว่าเป็นเรื่องของพุทธคุณอะของเรื่องของความเป็นพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งในพระรรมเตรยัย นก็สามนี่ก็ 3, ชัดอยู่แล้วข้อสามว่าไงนะครับลองอาข้อสามถือธรรมะเป็นใหญ่ข้าพเจ้าถือธรรมคือความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นใหญ่เป็นเกณฑ์ตัดสินครับอันนี้ก็เป็นความหมายสําคัญของธรรมะในเชิงปฏิบัติการเพราะว่าธรรมะเราจะพูดว่าก็คือความจริงตามธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมดาของมันคนจะ พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็อยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาค้นพ้อล้รนี้ก็เป็นวิธีพูดอย่างหนึ่งนะแต่นี้เราต้องการในเชิงปฏิบัติการเอามาใช้ในเชิงนี้พระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าธ ร, รมโมหิเศธโถชะนตัดสมีงี้เป็นต้นน่ยซึ่งเป็นการย้ำว่าในหมู่มนุษย์ในหมู่มวลประชาเนี่ยธรรมะสูงสุดนะประเสริฐสุดคือนี่หลักการพุทธศาสนาซึ่ง ในเชิงปฏิบัติการแล้วก็ชัดว่าพอพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เป็นการย้ายอันนี้เคยพูดมาบ่อยแล้วว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือว่าเดิมเนี่ยศาสนาพราหมณ์เขาถือเทพสูงสุดเทพตั้งแต่พระพรมสร้างโลกเลยนะเทพสูงสุดมนุษย์ก็ต้องไปกราบไหวอ้ อ, อนวอนเท พ, พเจ้าไปบูชายันฝากอนาคต ชะตากรรมไว้กับเทวดาใช่ไหมก็อยู่การองสูงอ่อนวอนอะไรกันนี่ยรอผลดลบรรดาล น, นี่พระพุทธเจ้ามาก็เปลี่ยนเลยเทวดาก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์ทั้งหลายให้อยู่กันได้เมตตาปราณีแต่ธรรมสูสงสุด เทว ด, ดาอะไรแต่อะไรก็ต้องขึ้นตัวทำด้วยเ น, นี่ยเป็นจุดอะไรการเปลี่ยนจุดยืนหรือหลักการใหญ่พุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ให้ถือธรรมสูงสุดทําเป็นเกณฑ์ตัดสินคราวนี้ไม่ใช่เทพเจ้าตัดสินแล้วแต่ก่อนนี้ชะตากรรมจะเป็นยังไงจะได้ผลอะไรไม่ได้ผลอยู่ที่เทพเจ้าบรรดาตัดสินใช่ไหมตอนนี้ไม่ให้รอเทพดเจ้าตัดสินแล้วเอาทำตัดสินแม้แต่มนุษย์ทะเลาะกับทเทวดาก็ได้เหมือนกันก็เอาทำตัดสิน เนี่ยย้ายมันนี่นี่ก็คือเอาธรรมตัดสินก็ถือตามที่พระพุทธเจ้าตรัสที่ว่าธรรมโมยเสถโชเฉตัตสมิงธรรมะสูงสุดแล้วก็ให้ถือธรรมะเป็นใหญ่เห็นเอาธรรมะเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานแล้วก็พระพุทธเจ้าเองก็เคยตรัสว่าพระองค์เนี่ยเคารพธรรมน่ใช่หพระองค์เคารพธรรมและเมื่อสงเติบใหญ่ขึ้นพระองค์ก็เคารพสงด้วยอน แต่ทีนี้หลักใหญ่ก็คือต้องเคารพธรรมทุกคนสงก็ต้องเคารพธรรมถือธรรมเป็นใหญ่หมดมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายสังคมทั้งถือธรรมเป็นใหญ่อันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาเป็นหลังเนี่ยนั้นไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องเป็นธรรมอาทิปไต่ใช่ไหมต้องถือธรรมเป็นใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นธรรมะจะไปเป็นใหญ่ในเรื่องทุกอย่างในเรื่องการปกครองในเรื่องการศาสนาก็คือเรื่องของมนุษย์ธรรมเป็นใหญ่ก็เอามาเป็นข้อที่สองถือธรรมเป็นใหญ่มนุษย์จะต้องใช้หลักการเนี่ย ถ้าถือธาทมาเป็นใหญ่แล้วแก้ปัญหาได้หมดเมืองไทยเวลานี้ไม่ยอมอาธรรมะเป็นใหญ่เอาอะไรเป็นใหญ่เมืองไทยนะฮะอัตนะอตาเป็นใหญ่นั่นอันหนึ่งบางทีเอาเงินเป็นใหญ่มีไหมครับ ม, มีนะเพราะฉะนั้นดีไมนะแทนที่จะเอาธรรมะก็เอาธนัแทนที่จะเป็นธรรมมที่ปไตยก็เป็นธนาี่ปไตยมีเงินเป็นใหญ่ไปใช่ไมก็เสียสิ มั้ ง, งก็เอาอัตตาเป็นใหญ่อัตตาที่ปตงไตยมันก็กะโลกาที่ปไตยใช่ไหมโลกาที่ปไตยแล้วแต่เสียงข้างมากลากไปอะไรก็ธรรมะทีปไตยก็เอาความถูกต้องความจริงกล่าวความจริงกล่วาวถูกต้องดีงามเท่าที่มนุษย์จะใช้ปรรัญญาพิจารณาให้เต็มที่มาตกลงกันให้ได้นะี่เป็นใหญ่แต่ลง ก, ก็แนี่ข้อนี้ก็ธรรมะนั่นเองอันนี้ก็จะให้เป็นหลักแก่สังคมพระชาพชนเป็นผู้เริ่มเป็นผู้นํา ได้ความแล้วนะครับ4ก็อะไรล่ะก็สี่สร้างสังคมให้เยี่ยงสังฆะข้าพเจ้าจะสร้างสังคมตั้งแต่ในบ้านให้มีสา ม, มัคคีเป็นที่มาเกื้อกูลร่วมกันสร้างสรรค์ก็เน่ก็คือข้อที่สใช่ไหมการเรื่องสังฆะนี่เองสังฆะนี่ก็พุทธเจ้าจะจัดเน้นสา ม, มัคคีใช่ไหมในวินัยเนี่ย วินัยนสื่อสามัคคีสําคัญถ้าตรงข้ามสามัคคีกับสังคเภทสังคเภทก็ทําลายสงถือเป็นอนันตริยกรรมเลยใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องสามัคคีนี่เรื่องใหญ่มากสงจะอยู่ได้ต้องมีสามัคคีตอนนี้เมืองไทยก็คือสังข้านั่นแหละสังคมก็ก็คือสังฆะของชาวโลกใช่ไหมแต่มันจะเป็นสังฆะไม่ได้เพราะมันไม่มีคุณสมบัติจะเป็นสังฆะมันต้องมีคุณสมบัตินีก็เลยเป็นสังคมอยู่อย่างเงี้ย ในสังคมเนี่ยควรจะก้าวมาเป็นสังฆะนี้ตอนนี้สังคมไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสังฆะเริ่มตั้งแต่สามัคคีไม่มีถูกไหมฮะตอนนี้สังคมไทยเนี่ยขาดใช่ไหมฮะสามัคคีไม่มีอย่างนั้นจะก้าวไปเป็นสังฆะยากมากไม่มีสามคัคคีแล้วก็ทีนี้ไอ้ที่จะมีสามคัคคีต้องมีวินัยนวินัยก็เช่นหลักกฎหมายก ฎ, กฎหมายนี่ก็คือ หลักการส่วนหนึ่งของวินัยหลักการกฎหมายที่ยอมรับร่วมกันใช่มก็กฎหมายแล้วก็บอกแล้วว่าทุกคนเสมอกันต่อนหน้ากฎหมายใช่ไหมทางพระท่านก็ว่ามานานแล้วศีลรามษาบรรดามีศีลเสมอกันนี่มองไทยดีนี้ชักไม่เคารพกฎหมายแล้วสิเออแล้วชักไม่นับถือจะแล้วใช่ไหหาว่ากฎหมายมายุติธรรมแล้วกฎหมายถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ยุติธรรม ในมนุษย์ก็จะฟั่นเฟือนกันไปใหญ่เลยใช่ไหมไอ้คนสร้างกฎหมายก็ไม่มีจิตใจที่ซื่อตรงถ้าเป็นอย่างนี้นะทีนี้มันก็จะตลอดหมดแล้วท่านอย่างนี้แล้วก็หมดกระบวนการนี่มันอะไรล่ะทลายเลยใช่หมหนึ่งตั้งแต่ว่าผู้ผู้ออกกฎหมายผู้ตรากฎหมายกระบวนการนิติ บ, บัญญัติเนี่ย ต้องมีปัญญาและเจตนาที่ดีเจตนาที่ซื่อตรงเป็นตน้นมุ่งประโยชน์กับส่วนใหญ่นี้ถ้าผู้สร้างกฎหมายเสียหลักและทีนี้ต่อมาผู้ที่ใช้กฎหมายเนะี่ยก็บังคับใช้กฎหมายก็ไม่เป็นหลักอีกใช่ไหมแล้วก็ผู้รักษากฎหมายนะกระบวนการที่จะเดิน ก, การให้เป็นไปตามกฎหมาย เกิดไม่เที่ยงธรรมอีกก็จบนั้นตอนนี้จะยังไงก็ตามประชาชนมีปัญหาเรื่องนี้แหละแม้แต่ว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมยังดีอยู่ประชาชนกลายเป็นไม่ค่อยนับถือถูกไหมเวลานี้ประชาชนทำเป็นจะตั้งแง่ด้ใจจริงหรือทําเป็นตั้งแง่ก็แล้วแต่ไม่รู้ด้วยแต่ก็แสดงถึงความไม่ได้ไว้วางใจ ไม่ได้ให้ความเชื่อถือต่อกฎหมายเท่าที่ควรก็กฎหมายมันก็ไม่เป็นใหญ่สิธรรมะเป็นใหญ่มันสองระดับ1ธรรมะที่เป็นหลักความจริงความถูกต้องดีงามที่เป็นหลักตามธรรมชาติ 2. ธรรมะคือหลักกฎหมายธรรมะนธรรมศาสตร์วิชากฎหมายนะธรรมะธรรมะขั้นที่มนุษย์ที่มาบัญญัติธรรมะขั้นตามธรรมชาติ แล้วก็ธรรมะขั้นบัญญัติธรรมะบัญญัติก็คือกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองจึงเรียวกว่าธรรมาศาสตร์วิชากฎหมายนี้ตอนนี้ถ้ามนุษย์ไม่สามารถมีธรรมะที่ปไตยในระดับกฎหมายที่เป็นธรรมะบัญญัติแล้วก็ไม่รู้จักไอ้ธรรมะที่เป็นตัวจริงด้วยจบเลยทั้งสองคันไม่มีเลยหลักรอยเลยถูกไหม ถ้าเขาเข้าถึงธรรมะที่เป็นหลักความจริงความถูกต้องที่แท้ด้วยใช่ไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยแล้วเอาธรรมะนี่เป็นใหญ่นี้ได้ฐานใหญ่เสองก็ได้ธรรมะระดับบัญญัติกฎเกณฑ์กติกาที่ตกลงกันที่เป็นกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญบ้านเมืองก็มีรัฐธรรมนูญที่ยอมรับกันเป็นหลักเชื่อถือกันแน่นแฟนอย่างนี้บ้านเมืองมก็มั่นคงสิใช่ไหมเนี่ยตอนนี้หลักธรรมะที่ปไตยนี่ซุดเลยใช่ไหม เมืองไทยนี่ไม่ได้เรื่องแล้วตอนเนี้ธรรมอาทิปไตยเอาอะไรท่าไม่ได้เลยไม่ว่าระดับธรรมะของธรรมชาติไม่ว่าระดับธรร ม, รร ม, มระรรมที่เป็นบัญญัติของมนุษย์ตั้งแต่กฎหมายระธรรมนูญมาเลยง่อนงานหมดแล้วนคนไม่ให้ความเชื่อถือนี่เราก็ยังเชื่ออยู่ว่าผู้ที่อยู่ในหน้าที่ทางกฎหมาย ในสถาบันที่เกี่ยวกฎหมายเนี่ยมันก็มีนิติบัญญัติในสภาผู้แทนใช่ไหมผู้ที่ตรากฎหมายพวกนี้ถูกสงสัยมากที่สุด <c oughs> <c oughs> ถูกไหมเออเนี่ยท่านทั้งหลายจะต้องไปสร้างความเชื่อถือให้คนให้ได้นะทาให้ได้ประเทศไทยไปไม่รอดจะต้องไปเตือนกันละเตือนสติใช่ไหตอนนี้นิติบัญญัตินี่งอนเงนันจนกระทัท่งแทบจะรอด แ, แล้วนะท่านว่ารอแรม รอดแร่แล้วครับมันเลยงอนเงนเลยวนะเอาละนิติบัญญัติรอดเลยอะไรทีนี้ก็มาอาไทีนี้ก็กระบวนการรักษากฎหมายก็เนี่ยพวกตำรวจเป็นต้นตำรวจก็คุณต้องยอมรับความจริงแล้วนะก็งอนแงนเหมือนกันใช่ไหมนี่มาถึงขั้นอีก อีกอันก็ตุลาการใช่ไหมตุลาการนี้เป็นผู้วินิจฉัยให้มันเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญตัติอันนี้เป็นไงเอา้าผมฝั่งท่านว่าท่านยังเห็นว่าอย่างไรข อ, อยังชั่วได้ยินเสียงหนึ่งเออถ้ายังเหลืออันหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมเพราะว่าตุลาการเนี่ยมาเป็นสถาบันหลักของชาติก็เป็นอ น, นุตติบัญญัติเป็นตัวต้นบริหารบริหารก็คือผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย นะแล้วก็ตุลาการก็คือเป็นตัวที่จะให้ให้อะไรนะให้กฎหมายมันอยู่ให้ได้นะอันนี้ก็ตกลงสถาบันหลักทั้ง3 ม, มันก็เป็นสถาบันเกี่ยวกับธรรมาธิปไตยเท่านั้นแหละถ้าวิเคราะห์ให้ดีนะมันเป็นอยู่ในตัวแล้วธรรมาธิปไตยนะั้นเป็นแกงของประชาธิปไตยอยู่แล้วโดยปกติไม่ต้องมาพูดว่า เราเป็นประชาธิปไตยยังไม่พอต้องเป็นธรรมาธิปไตยอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดเพราะธรรมาธิปไตยมันเป็นแก่นของประชาธิปไตยอยู่แล้วถ้าคุณจะเป็นประชาธิปไตยให้ได้คุณต้องมีธรรมาธิปไตยใช่ไหมก็ต้องหนึ่งอย่างน้อยคุณจะต้องเอาธรรมะที่มนุษย์บัญญตัติคือกฎหมายนี้เป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วแต่แล้วแค่นี้ก็ไม่ได้ถ้าคุณเอากฎหมาย เป็นใหญ่ได้จริงคุณก็เป็นธรรมอาธิปไตยระดับต้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดคุณต้องเป็นธรรมอาธิปไตยอยู่แล้วแต่คุณยังทําไม่ได้และเพราะเหตุที่คุณทําธรรมอาธิปไตยไม่ได้คุณจึงเป็นประชาธิปไตยไม่ได้นะก็แค่นี้คุณแค่คุณเป็นธรรมอาธิปไตยระดับที่หนึ่งเท่านั้นคุณก็ได้ประชาธิปไตยแล้วใช่ไหมและสถาบันทั้งสามันก็มีเพื่อให ans, goodness, ้ธรรมอาธิปไตยอยู่นั่นเอง เพราะมันก็คือการรักษากฎธรรมะที่เป็นบัญญัติของมนุษย์นี้ถ้าก้าไปอีกทีก็ให้มีปัญญามากขึ้นจนกระทั่งเข้าถึงหลักความจริงที่เป็นธรรมะตามธรรมชาตินั้นแล้วธรรมะนั้นมารองรับเพื่อจะได้คนที่รู้เข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยหนึ่งมาเป็นผู้ตรากฎหมายก็จะตรากฎหมายได้ดีถูกไหมฮะ แล้วจะมาบังคับใช้กฎหมายจะมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาอะไรก็ทําได้ดีหมดก็ตกลงธรรมะที่ปัจจยก็อยู่ในประชาธิปไตยนะั่นแหละมันอยู่มันแล้วไม่ต้องไปพูดมาใหม่เอาละครับไปอันว่าอันนี้ก็คือข้อที่4ี่นะอ๋ออ๋อสสังฆะก็ไปโยงกับข้อที่สที่ว่าต้องเป็นธรรมะที่ปัจจยข้อที่สี่ก็คือ สังฆะก็คือสังคมนี้จะต้องไปโยงข้อที่สามเป็นธรรมาธิปไตยและสังคมเองก็ต้องมีสามัคคีการที่มีสามัคคีก็คือยึดหลักการที่มันเป็นอันเดียวกันใช่มฮะยึดหลักกฎหมายมีรัฐธรรมนูญที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้จริงทุกคนเคารพรักมันก็อยู่แค่นี้ก็ได้สามัคคีแล้วนะและไอ้ส่วนที่แตกแยกกันเรื่องเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยทะเลาะเบาแวงกั็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความหมาย แต่นี้ตอนนี้มันรวนหมดเลยรวนทุกขั้นเลยมันไม่ได้เลยเพราะนั้นสังคมมันก็ไม่มีสามคัคคีไม่มีวินยัยไม่มีกฎหมายที่ยอมรับที่จะตั้งเป็นหลักที่จะยึดถือร่วมกันหมดแล้วก็ไอ้วินัยที่จะดีก็คือในที่สุดเนี่ยคนจะต้องมีน้ำใจเมตตาใช่ไหมมีความปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อส่วนรวมก็คือในที่สุดไอ้ตัว นี้ก็ออกมาในแง่มาเป็นบุคคลเมตตามีใจดีปรารถนาดีมันก็ออกมาเป็นคุณสมบัติคือคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะเนี่ยก็แปลว่ามีเมตตากรุณาก็คือคนเนี่ยมาเป็นกัลยาณมิตรกันเพราะนั้นสังคมที่ดีเป็นสังขาก็คือสังคมของกัลยาณมิตรสังคมของคนที่ มาเกื้อหนุนกันมีน้ำใจปรารถนาดีกันมาร่วมมือกันแล้วก็พึ่งพาใสายกันได้ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไปในในการพัฒนาชีวิตด้วยไม่ใช่ช่วยเหลือเกื้อกูลทั่วไปพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นก็ตกลงนี่แหละเป็นสาระของข้อที่สี่ต่อไปก็ข้อที่หข้อที่หาสำเร็จด้วยกระทำกรรมดีข้าพเจ้าจะสร้างความสาเร็จด้วยการกระทาที่ดีงามของตน โดยภาคเพียนอย่างไม่ประมาทครับอันนี้ก็เป็นจุดเน้นขหลักกรรมไโดยเฉพาะก็มามองสภาพภูมิหลังสังคมไทยเวลานี้ที่เข้าใจเรื่องกรรมผิดๆ ด, ด้วยที่เคยพูดกันแล้วนะกรรมคนไทยนี่หนึ่งมองในแง่ไม่ดีบางนนะอะไรอะไรที่เป็นกรรมก็เอาไปฝ่ายไม่ดีหมดบุญกรรมแล้วแต่บุญแต่กรรมไม่กรรมก็คือไม่ดีถ้าบุญจะเกดดี จริงมันแล้วแต่บุญกรรมแล้วแต่บาปกรรมใช่ไหมทีนี้ตัดสั้นหรือบุญกรรมหนึ่งสองก็เอากรรมเป็นเรื่องอดีตไปกรรมที่ทำในชาติก่อนแล้วก็สามมองในแง่ผลชาตินี้ก็รับกรรมไป <c oughs> นก็คือรับผลกรรมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กรรมของท่านในมุ่งว่าการกระทำนี่แหละเป็นชีวิตของเรา การกระทําการพูดการคิดเนี่ยเราจะต้องทําให้ดีแล้วก็ต้องมุ่งหวังผลสําเร็จจากการทําเหตุของมันและองนี้จะต้องเน้นมากสําหรับสังคมไทยนะนี่ก็เลยมาเน้นจุดเนี้ยเราจะต้องมุ่งสร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําด้วยความเพียรพยายามของเรานะคนเราจะได้ไม่อ่อนแอปวกเปียกป้อแปรกั น, นจะได้มีความตั้งใจเอาจริงอาจังแล้วก็ไม่หลง ไปในกระแสของสยศาสตร์เรื่องของลัทธิรอผลดนบันดาลซึ่งเวลานี้เป็นสภาพทั่วไปของสังคมไทยใช่ไหมเพราะนั้นข้อนี้ก็คือพยายามดึงเข้าหลักกรรมเพื่อมาแก้ปัญหาปัจจุบันนี้ด้วยลองอ่นานใหม่ทีสิครับว่าไ ง, งาไข้อหเนี่ยข้อหข้อหําเร็จด้วยกระทํากรรมดีข้าพเจ้าจะสร้างความสําเร็จด้วยการกระทําที่ดีงามของตนโดยภาคเพียรอย่างไม่ประมาทอ๋อนี่ครับก็นี่แหละหลักเนี่ย มาเน้นจุดเน้นที่นี่เน้นที่ให้สร้างความสำเร็จด้วยการกระทำเหตุก็เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนไทยที่หวังผลโดนบรรดายกันมากลึกเกินก็ครบห้าข้อแล้วเห็นไหมฮะตกลงก็ถ้าเอาตามมาตกถาก็อยู่ในสองข้อของท่านเน่เอาข้อรัตนัตยศัทธาก่อนก็ได้รัตนนตยศัทธาก็ข้อหนึ่งสองก็พระพุทธข้อสสี่ก็พระธรรมแล้วก็ ข อ, ของท่านข้อสองว่ากรรมวาพรสัทธาเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมก็ได้แก่ข้อหของหลักชาวพุทธนี้ที่บอกว่าให้หวังผลสำเร็จด้วยการกระทำนะก็จบพอเห็นนะเห็นแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนเลยก็อยู่ในหลักเดิมนั่นแหละก็แค่เอาสั้นก็แค่เรื่องพระรานทานใก็เรื่องกรรมปฏิบัติได้ไหมครับ ไหวไหมปฏิบัติการมีข้อสงสัยเอาเอาตรงนี้ก่อนเอาหลักนี่ไหวไหมไหวนะอย่างนี้เนี่ยยังไงไงเราช่วยกับเผยแพร่ว่าให้ชาวพุทธเนี่เข้มแข็งกันหน่อย <c oughs> แล้วก็ตั้งให้อยู่ในหลักของชาวพุทธ <c oughs> นะความเป็นชาวพุทธมันจะได้มีความหมาย <c oughs> เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาบ้าง <c oughs> อ้าวถ้าในแง่ของหลักการห้าข้อท่านไม่มีข้อสงสัย <c oughs> ก็ต่อไปปฏิบัติการ นี่หมดครับครับได้ได้มีสงสัยมันเยอะเหลือเกินในปฏิบัติการจะเอาสงสัยหมดแล้วสงสัยเฉพาะที่เลยเฉพาะจุดเจาะไปเลยใช่ไหมฮะเจาะเป็นจุดๆไปเอาสงสัยก้อไหนล่ะ